การทําบุญนี่ไม่ศูนย์เปล่านะทําอย่างอื่นใช้เงินไปทางอื่นศูนย์หมดมีการทําบุญอย่างเดียวที่ไม่ศูนย์เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเงินเหมนเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องเปลี่ยนเงินไทยเป็นเงินต่างประเทศเพราะเราต้องใช้เงินต่างประเทศเงินเงินบาทใช้ไม่ได้ เงินที่มีที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันเวลาร่างกายตายไปเราอาไปไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เราต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ใจเรานี้เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็ในโลกทิพย์เขาก็เขาก็มีเงินที่เราที่เขาใช้กันเงินที่เขาใช้ในโลกทิพย์เเรียกว่าบุญเงินบุญ เราจึงเอาเงินบาทมาเปลี่ยนเป็นเงินบุญไม่ได้ไม่ได้เสียไม่ได้สูญเสียไปไหนเป็นการแลกเปลี่ยนเงินชนิดหนึ่งไปสู่เงินอีกชนิดหนึ่งเงินบุญนี้มันไม่มีกระดาษเหมือนเงินบาทเงินบาทนี่มีกระดาษนี่มันมันก็เป็นแค่กระดาษแล้วก็เขียนว่าเงินกี่บาทเงินบุญก็เป็นเงินที่ไม่มีกระดาษ เพราะใจนี้ไม่มีรูปร่างเงินที่ใจจะใช้ก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวกันเนี่ย<ม>เที่ยวแล้วก็หมดหมดแล้วก็หมดกันเมันเอาเงินไปทิ้งไปสนุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวไปเที่ยวก็สนุกกลับมามันก็หมดไปแล้วก็ทำให้อยากเที่ยวอีก ก็ต้องหาเงินไปเที่ยวกันอีกแล้วเวลาตายไปก็ไม่มีเงินติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวไปเพราะถ้าชอบเที่ยวเราจะไม่ชอบทําบุญชอบช้อปปิ้งแล้วก็จะไม่ชอบทําบุญชอบซื้อของอะไรต่างๆพอมีเงินก็จะคิดแต่ซื้อของเงื่อนซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าชอบเที่ยวก็พอมีเงินก็จะคิดจะไปเที่ยว เวลาตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องไปเป็นขอทานที่เราทิศบุญก็ให้พวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปพวกนี้เขาเป็นเหมือนขอทานเพราะว่าเหมือนกับเวลาถ้าเราไปต่างประเทศอย่างสมัยนีย้เวลามีสงครามในบ้านเราเนี่ยเราต้องออกไยพบกันใช่ ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปอยู่ตามแคมป์ตามชายแดนแคมป์อกพยพพวกมีเงินเขาก็ไปเข้าประเทศอื่นได้เลยเพราะเขามีเงินจ่ายค่าวีซ่าค่าอะไรต่างๆค่าโรงแรมค่าที่พักแต่ถ้าไม่มีเงินติดตัวไปเวลาต้องอบพยพไปก็ต้องไปอาศัยค่าอบพยพอยู่กันอยู่ตามชายแดน เพราะไม่มีเงินจะไปไม่มีเงินจ่ายค่ารถจ่ายค่าที่พักค่าอะไรต่างๆพวกที่เราอุทิศบุญให้ก็เป็นพวกนี้แต่การอุทิศบุญของเรานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เราจะอุทิศให้นี้เขาจะอยู่ในสภาพนั้นหรือไม่เราไม่รู้เราเพียงแต่ทำเผอไว้เท่านั้นเองเพราะเราไม่มียานอย่างทราบ ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วนี่เขามีบุญติดตัวไปมากน้อยหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ทำเผื่อไว้เจ็เวลาทําบุญงานศพนี่ยเราก็บูทิะบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปผู้ที่ร่วงรับถ้าเขาทําบุญไว้ก่อนเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญพวกที่ไม่ได้ทําบุญเลยหรือทําน้อยมาก เป็นธรรมเฉพาะวันสำคัญสาคัญวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเทศกาลต่างๆอันนี้ก็จะมีบุญน้อยไปก็จะต้องมาขอบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ให้ช่วยส่งไปให้ถ้าเราจะรู้แน่ว่าเขามาขอบุญหรือไม่เขาก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ยเวลาเรานอนหลับเรา คนตายไปเขามาฝันมาบอกต้องมาบอกด้วยนะไม่ใช่ฝันฝันอย่างเดียวฝันว่าเขามาเนี้ยอาจจะเป็นเพราะเราคิดถึงเขาก็ได้เราอาจจะฝันไปเองก็ได้อาจจะคิดถึงเขาในวันนอนดับมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นความฝันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามาถ้าเขามาจริงๆต้องคุยกันได้จนะบอกว่าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ อะไรทำนองนั้นหรือถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามคนที่เขารู้คนที่เขามีญาณที่จะสามารถติดต่อกับคนตายได้คนตายคนจริงก็ไม่ได้ตายหรอกเพียงแต่เขาไม่มีร่างกายเท่านั้นเองพวกเรานี้มีร่างกายเราเลยเรียกว่าเป็นคนเป็นแต่ใจเราก็คือดวงวนนิญญาณนี้เหมือนกัน เหมือนกับของคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วไม่มีร่างกายไว้ใช้ mm hmm. เวลามีชีวิตอยู่ mm hmm. เขาก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆ mm hmm. เขาชอบดูชอบฟังอะไร mm hmm. เขาก็ใช้ร่างกายพาไป mm hmm. แต่พอเวลาตายไปนี่ mm hmm. เขาไม่มีร่างกายพาเขาไปตามความอยากของเขา เขาก็เลยต้องอาศัยความฝันก็คือเรื่องที่เขาได้ไปทําไว้มามามาฉายให้ดูในชีวิตเราเนี่ยทุกวันที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังบันทึกไว้กาลังบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเหมือนสมัยนี้เราไปไหนน้ามีกล้องใช่ไหมเราไปร้าน้านอาหารแล้วก็ถ่ายภาพร้านอาหารถ่ายอาหารที่เรากิน แล้วก็ส่งไปเพื่อนดูกันเวลาเราอยู่บ้านไม่ไม่ได้ไปข้างนอกบางทีก็เปิดมาดูกันเพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วมันเหงาอเลยต้องหาอะไรดูแก้เหงากันเนใจเราก็เหมือนกับกล้องร่างกายเราก็เหมือนกับกล้องเนี่ยที่เวลาที่เราไปทำอะไรต่างๆอย่างตอนเนี้ยเรากำลังบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ในใจเรา แล้วพอเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราก็ต้องเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทำนี้มามาดูมาให้ความเพลิดเพลินกับเราทีน mm ี hmm. ้สิ่งที่เราบันทึกมันมีทั้งสิ่งที่น่าดูกับสิ่งที่ไม่น่าดู mm hmm. เช่นเวลาเราไปทำบุญทำความดีอะไรต่างๆ มันก็เป็นสิ่งที่น่าดูแต่บางเวลาเราก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้ไปทะเละบอกแว้งกันไปทำร้ายกันไปมีเรื่องมีราวกันมันก็บันทึกภาพเหล่านี้ไว้เหมือนกันแล้วเวลานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นความฝันว่าทุกอย่างที่เราทำนี้มันจะถูกบันทึกเอาไว้ แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาในขณะที่เราไม่ไม่มีร่างกายหรือไม่ไม่สามารถใช้ร่างกายได้เช่นเวลานอนหลับนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจเรายังมีความอยากที่จะมีอะไรให้ดูให้ฟังให้ชมก็เลยเอาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่ใจได้บันทึกไว้ทั้งทั้งเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ที่ไม่ดี มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราดูการทําให้เราฝันดีฝันร้ายไปถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เราได้ไปทํามาถ้าเราฝันดีก็เป็นเหตุการณ์ที่เราทําดีไว้มันโผล่ขึ้นมานี่แหละคือใจของเราเวลาไม่มีร่างกายมันจะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับ มันก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆได้มันก็เลยอาศัยเหตุการณ์เก่าที่เคยได้ในทำมาแล้วบันทึกเอาไว้แล้วก็ดูเหตุการณ์เหล่านั้นเราจรึงมีการฝันดีฝันร้ายแล้วเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วร่างกายตายไปแล้วฝันดีเราก็เรียก่าสวรรค์ ฝันร้ายแล้วก็เรียกว่าอบายเรียกว่านารกเนี่ยช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่เราตายนี้ก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับใจเราก็ฝันไปฝันไปตามบุญตามบาปถ้าทําบุญไว้ก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีฝันถ้าไม่ได้ทําบุญทําแต่บาปมันก็จะฝันแต่เรื่องที่ร้ายน่าเกลียดน่ากลัว เรื่องที่มีแต่ภยัยอันตรายอะไรต่างๆก็จะฝันอย่างนี้ไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็หยุดฝันเพราะเราตื่นขึ้นมาพอออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นนะตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่ยังฝันอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายยังอยู่ในท้องแม่ตอนนั้นกำลังก่อกำลังสร้างร่างกายอยู่ ถึงเวลาที่อยากทอดออกมาพอออกมาก็ลืมตาพอลืมตาก็เหมือนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็หยุดฝันหยุดฝันแล้วก็มาเลีเ้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตช่วงที่นอนหลับก็ฝันกลับไปกลับมาแฝันน้อยแล้วฝันฝันเดียวเดียวฝันแค่เพียงช่วงที่นอนหลับไม่กี่ชั่วโมงก็ตื่น ตื่นขึ้นมาก็หยุดฝันพอนอนหลับก็ฝันอกีกแล้วพอโตขึ้นมาก็เริ่มมาบันทึกภาพใหม่อกีกพอมาทาเหตุมาทาเรื่องใหม่อกีกทำดีบ้างทําไม่ดีบ้างสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่นิสัยถ้ามีเหตุการณ์ดึงให้ไปทําเรื่องไม่ดีก็ไปทําเรื่องไม่ดีได้หรือมีนิสัย ชอบทำเรื่องไม่ดีก็จะไปทำแต่เรื่องไม่ดีก็จะบันทึกแต่ภาพเหตุการณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจถ้ามีนิสัยชอบทำดีก็จะทำดีไปหรือมีเหตุการณ์ที่ชวนให้ไปทำดีก็ไปทำดีเช่นวันนี้อาจจะมีเพื่อนชวนเรามาหรืออาจจะเป็นวันเกิดวันสำคัญอะไร ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ชวนให้เรามาทำความดีกันตอนเย็นก็อาจจะมีเหตุการณ์ชวนให้เราไปทำความไม่ดีกันชวนไปกินเหล้ากันเลี้ยงเลี้ยงฉลองมันเกิดก็ต้องกินเหล้ากันไปเที่ยวตามบาร์ตามผับกันแต่ถ้ามีนิสัยที่ไม่ชอบไปตามบาร์ตามผับก็ไม่เลี้ยงฉลองไม่เลี้ยงก็ไม่มีสุราเลี้ยงแต่อาหาร อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำดีทำไม่ดีกันในในชีวิตของเราแต่ละวันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นิสัยเดิมของเรานิสัยนี่มันมันไม่เปลี่ยนไปกับความตายร่างกายตายไปแต่นิสัยนี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจใจยังมีนิสัยทาดีมันก็จะกลับมาทำดีมีนิสัยทาไม่ดีมันก็จะกลับมาทาไม่ดี ถ้ามีนิสัยชอบกินเหล้ามันก็จะกลับมากินเหล้าชอบเล่นการพ น, นันก็จะกลับมาเล่นการพ น, นันชอบเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวชอบทำบุญก็จะกลับมาทำบุญชอบรักษาศีลก็จะรักษาศีลชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็มันก็จะไปแต่ละคนยังทำอะไรไม่เหมือนกันเพราะนิสัยเดิมที่ได้ปลูกฝังไว้มันไม่เหมือนกัน ลาทำอะไรคนละทำอะไรไม่เหมือนกันเน่ะคือเรื่องของใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณที่มันจะไปรับผลของการกระทำในสภาพของความฝันเนี่ยแหละเพราะตอนนั้นไม่มีร่างกายแต่ความฝันนี่ก็เหมือนกับความจริงเชื่อ เวลาเราฝันนี่เราก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าฝันก็ตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแต่เวลาฝันนี่เหมือนกับตอนนี้เลยเหมือนเหมือนกับตอนที่เราอยู่ตอนนี้เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันเราคิดว่าเป็นความจริงพอตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าโอเมื่อกี้มันเป็นความฝันแต่มันก็ทำให้เราดีใจเสียใจทุกข์สุขได้เหมือนกับตอนที่เรา เตอยู่ในขณะนี้นี่แนหะคือเรื่องดวงดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราเป็นอย่างนี้นะมั น, ม, น ม, มันมาสร้างบุญสร้างบาปกันแล้วมันก็ไปรับผลบุญผลบาปในสภาพของความฝันไปฝันดีก็มีความสุขฝันมีแต่เรื่องดีๆทําบาปก็ฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องเรื่องที่มีแต่ความ ทุกมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจอะไรต่างๆดังนั้นเราสามารถควบคุมความฝันเหล่านี้ได้เพราะเราเป็นผู้ไปบันทึกภาพเหมือนกล้องเนี่ยเราก็ไปเราอยากจะไปถ่ายภาพแบบไหนเราก็ไปเลือกถ่ายได้ดังนั้นเราเราสามารถเลือกได้เลือกเหตุการณ์การกระทําต่างๆได้ถ้าเรารู้ว่ามันมีผลตามมา อย่างที่ที่เราได้ยินกันตอนนี้ว่าการกระทำต่างๆที่เราทำนี้มันมีผลตามมามันจะตามมาในรูปแบบของความฝันฝันสั้นฝันยาวถ้าช่วถ้าถ้าอยู่ในช่วงที่ร่างกายยังไม่ตายมันก็ฝันสั้นพอร่างกายตื่นมันก็หยุดฝันแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ร่างกายตายไปแล้วเนี่ยมันจะฝันยาว ไปไม่รู้กี่สิบปีร้อยปีพันปีก็ได้จนกว่าจะได้มามีร่างกายอันใหม่ถึงมาเกิดใหม่ห็นคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าการกะระทาของเราไม่ว่าจะทำบุญหรือทำบาปเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเรามันจะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราต้องไปฝันดีฝันร้ายฝันสั้นฝันยาว แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะให้ฝันเหล่านี้หมดไปไม่ฝันอีกต่อไปเราก็ต้องพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีที่จะหยุดการฝัน ถ้าหยุดฝันได้หยุดการกระทำต่างๆถ้าหยุดการกระทำต่างๆมันก็จะไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆภาพต่างๆไว้แล้วมันก็จะหยุดติการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่เราเวลาช่วงที่เราตายไปนี่ดวงวิญญาณของเรานี้กำลังไปรอหาร่างกายอันใหม่อยู่เพราะเรายังอยากจะตื่น ยังอยากจะตื่นมาทํานู่นทํานี่ยังอยากจะดูนั่นดูนี่อยู่ <S <S เราจึงต้องไปหาร่างกายแต่พระพุทธเจ้านี้ทรงค้นพบว่าถ้าไม่อยากจะมีร่างกายไม่ต้องไม่อยากจะหาร่างกายก็หยุดความอยากต่างๆ <S 1> <S 1> ความอยากที่จะใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนถ้าเราตอนนี้มีร่างกายแล้วมีความอยากจะให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยว มีร่างกายอยากอยากจะเอาร่างกายไปดูไปพบคนนั้นคนนี้ก็อย่าไปอยากจะไปดูไปฟังอะไรก็อย่าไปดูถ้าหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าไม่ใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ก็ไม่ต้องเกิดมาบันทึกภาพมันไม่ต้องมาบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่เราเคยได้ทำเอาไว้เราก็จะหยุดฝันเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นพระพุทธโทนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้หยุดฝันพวกเรายังพวกเพอ้อฝันอยยังชอบฝันกันอยู่ชอบบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตามความอยากของเราอยัยงอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่น ก็ต้องไปมีร่างกายเวลาไม่มีร่างกายก็ดูในฝันไปใช้เหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้มาดูแท น, เ, นเหมือนกับดูดูหนังย้อนหลังนี้ถ้าไม่ได้ไปดูที่โรง<ม>ก็อยู่ที่บ้านก็เปิดที่เราบันทึกไว้ดูไป<ม>เวลามีร่างกายเราก็เอาร่างกายไปดูของสดสดร้อนๆ<ม>เวลาไม่มีร่างกายก็ต้องดูย้อนหลัง ดูภาพที่เราที่บันทึกไว้ในขณะที่เรามีร่างกายแต่ถ้าเราตัดความอยากที่จะดูจะฟังอะไรต่างๆได้ต่อไปเราก็จะไม่ไปบันทึกภาพอะไรอยู่ไปอยู่ในป่าคนเดียวอยู่กับความสงบเวลาไม่มีความเวลาไม่มีความอยากนะั้นจิตจะมีความสุข จิตจะไม่หิวกับภาพไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆก็ไม่ต้องมีร่างกายพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะทําให้เราหยุดมีร่างกายด้วยการหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขในตัวเอง ตอนนี้เราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายต้องมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงถึงจะมีความสุขเวลาไม่มีรูปดูไม่มีเสียงฟังรู้สึกเหงาไหมถ้าเกิดมือถือเสียงแล้วไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเหงาขึ้นมาแต่ถ้าเวลาเหงายังมีมือถือเราก็ยังเปิดดูได้เปิดฟังได้ยังพอแก้เหงาได้ ความเหงามันเกิดจากความอยากดูอยากฟังเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็จะเกิดความเหงามันไม่มีความสุขในตัวเองมันต้องอาศัยความสุขจากการดูการฟังแต่ถ้าเรามาหัดทำใจให้สงบถ้าใจสงบได้ใจจะมีความสุขในตัวเองเราจะไม่รู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวเพราะมันจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นสดต่าง ความสงบนี้แหละที่จะทําให้ใจอิ่มใจพอใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็หากันแล้เนี่ยลืมตาขึ้นมาก็จะหาอะไรกินหาอะไรดื่มก่อนแล้วเสร็จแล้วก็หาอะไรดูอะไรฟังหาอะไรเล่นหาอะไรไปอยู่ได้เรื่อยๆให้มันเพลิดเพลิน ถ้าวันไหนทำไม่ได้เช่นไม่สบายเนี่ยก็จะเริ่ม ร, รู้สึกไม่ดีแล้วจะดูอะไรก็ดูไม่ได้จะกินอะไรก็กินไม่ลงอันตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบเนี่ยเวลาไม่สบายเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายดูหรือฟังหรือกินหรเดิมอะไร เพราะว่าเรามีความสุขในใจในตัวเราเองนี่ละคือถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะต้องไปใช้ร่างกายอยู่เรื่อยมีร่างกายก็พามันไปพ า, พามันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอไม่มีร่างกายก็ต้องอาศัยภาพที่บันทึกไว้เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ ให้ให้ดูกันซึ่งตอนนั้นเราไปเลือกภาพดูไม่ได้บางทีภาพที่เราไม่อยากดูมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะเราไปอัดมันไว้บันทึกมันไว้ใจเราก็เลยอาจจะต้องฝันแต่เรื่องร้ายๆถ้าเราทําเรื่องรายๆไว้เวลาฝันมันก็จะฝันเรื่องร้ายๆมาเราห้ามันไม่ได้เวลาเรานอนหลับนี่เราไปสั่งให้ฝันดีฝันไม่ดีได้嘛 ใชเราจะบังคับได้ก็ตอนที่เราตื่นเพราะตอนที่เราตื่นมีสติพอที่จะควบคุมความคิดได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีก็ควบคุมไม่ได้ระดับที่ไม่ดีบางทีก็ควบคุมไม่ได้บางทีไม่อยากจะมีเรื่องกับเขาก็ยังไปมีเรื่องกับเขาได้เพราะมันอดไม่ได้พอเห็นเขาพูดไม่ดีทําไม่ดีหน่อยก็อดไม่ได้ก็ไปตอบโต้กันไปว่ากันไป แก่งแก่งแย่งชิงดีกันไปกันแกล้งกันแล้วมันก็ไปบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้เราต้องมาดูในตอนที่เราไม่มีร่างกายกันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งนี่เราจะไม่รู้เรื่องของใจเราว่าเป็นอย่างไรกันเวลาอยู่ก็ไม่รู้ฝันได้ยังไงอะไรทําให้เราฝัน อะไรทําให้เราฝันดีอะไรทําให้เราฝันร้ายเราก็ไม่รู้กันแล้วเวลาที่เราตายไปเราไปเป็นอะไรไปเป็นเทวดาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราเป็นดังเราไม่รู้ว่ามิเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปเพราะเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ร่างกายของเราเราเห็นเวลาคนตายแล้วร่างกายเขาก็กลายเป็นอขี้เท่าไป แล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปที่เขาได้ทำไว้ถ้าเราไม่มาเปรียบเทียบดูก็ดูตอนที่เรานอนหลับนะเวลาที่นอนหลับนี่ก็เหมือนคนตายในชะ่มร่างกายไม่ได้ทำอะไรนอนอยู่เฉยๆแต่ใจมันมันยังไม่อยู่เฉยๆมันร่างกายในชะ่ไหมเวลาร่างกายหลับแต่ใจมันไม่หลับนะใจมันยังตื่นนะใจเวลาฝันนี่มันตื่นละ ความเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ทําให้นู่นทําให้นี่ทําดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้มันเกิดจากเหตุการณ์ที่เราได้ทำมาก่อนแล้วมันมาโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นกันตอนที่เราไม่ไม่ได้ใช้ร่างกายไม่มีร่างกายให้ใช้เราก็ต้องใช้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นโดยอัตโนมัติ เนเวลาที่ร่างกายเราตายไปนี้ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรามันก็อยู่ในสภาพของความฝันนี่ฝันดีก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทวดาชั้นต่างๆฝันไม่ดีก็เป็นอบายชั้นต่างๆฝันไม่ดีก็มีเรื่องไม่ดีต่างๆเรื่องที่เกิดจากความโกรธบ้างเรื่องที่เกิดจากความโลภบ้าง เรื่องที่เกิดจากความกลัวบ้างเรื่องที่เกิดจากความหลงบ้างแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นที่เรื่องที่สร้างความทุกข์สร้างความหวาดเสียวให้กับจิตใจเพราะเราไปทำเรื่องไม่ดีเอาไว้มันก็จะมาส่งผลให้เราในช่วงที่เรารอรับร่างกายใหม่พอเราได้ร่างกายใหม่มันก็หยุดฝันแล้วก็มาใช้ร่างกาย เป็นตัวเป็นเครื่องมือหาเรื่องราวต่างๆมาให้กับใจแก้เหงาไปวั น, ว, นวันหนึ่งเนี้ยที่เราไปทาอะไรกันนี้เราทำเพื่อแก้ความเหง า, อาง น, นอยู่บ้านไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเรื่องให้ทำมีเรื่องให้ดูเรื่องให้ฟังมีอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆเราจึงอยู่นิ่งกันไม่ได้อยู่บ้านได้ก็แค่เฉพาะเวลาพักผ่อนหลับนอนนั้น พอตื่ขึ้นมานี่ไม่อยากจะอยู่บ้านแลอยากจะออกจากบ้านส่วนหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์บังคับให้ออกคือต้องออกไปทำมาหากินไปเลี้ยงร่างกายก่อนพอเลี้ยงร่างกายแล้วทีนี้มีเวลาเหลือก็อยากจะไปหาหาเรื่องมาแก้เหงากันไปทำนูน่นทำนี่กันแลไปพอไปทำอะไรแก้เหงาเดี๋ยวดีไม่ดีก็ไป ไปกระทบกระทั่งกับคนนั้นคนนี้ก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอีกกลายเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นมาอีกทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะมีเรื่องไม่ดีแต่บางทีมันก็ไปเจอกันแล้วมันก็ยับยับยั้งไม่ได้พอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ปล่อยให้อารมณ์พาไปนึกอยากจะด่าก็ดา่านึกอยากจะตีก็ตีนึกอยากจะทำอะไรก็ทาไป นี่แหละคือเรื่องราวของจิตใจของพวกเราวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็ขวายคว้าหานน่นหานี่มาแก้งเหงาตลอดเวลาเพราะมันอยู่มันไม่มีความสุขในตัวมันเองมันเลยต้องไปหาคนนั่นบ้างไปหาคนนี้บ้างไปซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้ไปอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ทําใจให้มีความสุขในตัวเองมันก็จะต้องไปหาความสุขภายนอกแต่ถ้ามา พบกับพระพุทธเจ้าพระหรือพระธรรมคําสอนหรือพระสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาทําความสุขทําทใจให้เรามีความสุขดีกว่าทําใจให้เราสงบเราจะมีความสุขพอสุขแล้วมันจะอิ่มมันจะพอมันจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆมันจะไม่เหงาอยู่คนเดียวมันก็ไม่ว้าเหวไม่ซร้อยเศร้าเหงาหมงอยกับชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราไม่ลาําคาญ พออยู่กับคนนั่นคนนี้เดี๋ยวมันลำคาญเพราะเรื่องมากเดี๋ยวจะเอาอย่างโน้เดี๋ยวจะเอาอย่างนี้พอเราไม่เอาด้วยก็เขาก็โกรธเราอีกนี่แหละปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่รู้วิธีหาความสุขให้กับเราแบบที่ไม่มีผลกระทบตามมาเรารู้แต่วิธีหาความสุขที่มีแต่ผล กระทบตามมาเราจะต้องทำไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทำได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้อะไรมามากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆต้องทาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ทาใจเราให้สงบแล้วใจเราจะอิ่มจะพอ จะอยู่เฉยๆได้จะไม่ต้องทําอะไรต่อไปอันนี้แหละเป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกตัดจะรู้ก็ตัดจะรู้ตรงนี้รู้ว่าใจของเราต้องการอะไรใจของเราต้องการความสงบตัวที่มาทําให้ใจเราไม่สงบคืออะไรก็รู้ ตัวที่ทําให้ใจเราไม่สมงบก็คือความอยากนี่พออยากแล้วใจมันจะสั่นขึ้นมาตอนนี้นใจไม่ค่อยสั่นเพราะตอนนี้ยังไม่มีความอยากเดีย๋ยวถ้าเกิดอยากขึ้นมานี้จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้ก็มีไปสองคนแล้วเพราะอยากจะไปทําอะไรจึนั่งอยู่ไม่ได้เพราะนั่งแล้วมันทรมานมันอึดอัดขึ้นมาเวลาเกิดความอยากจะไปทําอะไร แล้วต้องมานั่งฟังต้องมานั่งทำอะไรที่ไม่อยากทำเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาแต่พวกที่นั่งอยู่ได้ก็เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความอยากแต่ถ้าเราพูดยาวๆสักสองชั่วโมงนี่เดี๋ยวอยากแน่นะเดี๋ยวก็ลุกกันไปเองแ ต, แต่ถ้าไม่มีความอยากก็นั่งกันตอบไปได้นี่แหละคือตัวปัญหาที่เราไม่รู้กัน แทนที่เราจะกำจัดมันเนางกลับไปคอยส่งเสริมมันพอมันอยากได้อะไรรีบรับใช้มันทันทีอยากได้กาแฟรีบไปชงให้มันเลยชงให้มันกินอิ่มแล้วมันจะพอไหมไม่พอเนี่ยเดี๋ยวก็สั่งอีกถ้วยหนึ่งนะเดี๋ยวพอถ้วยที่สองเสร็จเดี๋ยวก็สั่งถ้วยที่สามเนี่ยมันสั่งมาตั้งแต่เราเริ่มกินจนถึงวันนี้ถ้าเราไม่หยุดกินมันก็จะสั่งเราอยู่เรื่อย วิธีที่จะไม่ให้มันสั่งเราก็คืออย่าไปทําตามคำสั่งมันมันสั่งกาแฟาเราก็อย่าไปเอากาแฟามาให้มัน เ, เดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่สั่งเพราะมันรู้สั่งเราไม่ได้มันก็ไม่รู้จะสั่งไปทำไมพระอุตตรเจ้าบอกเราต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้วิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องมีขั้นมีตอนเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะฝืนมันได้ทันที ตอนนี้มันอยากนี่เราจะบอกไม่ไม่อยากมันไม่ฟังเราเหรอกมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีภายในใจให้เกิดขึ้นสร้างความหงุดหงิดสร้างความนำคาญใจสร้างความเบื่อหน่ายสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาจนกว่าเราจะไปทําตามที่มันอยากได้พอเราไปทําตามที่มันอยากได้นะมันก็อารมณ์ต่างๆก็หายไปชั่วคราว เราก็เลยคิดว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการแก้ปัญหาเพราะเวลาอยากแล้วมันไม่สบายใจพอได้ทําตามความอยากแล้วก็หายไม่สบายใจแต่มันไม่รู้ว่ามันหายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องไปทําแบบเดียวกันอีกทํากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่ล้านครั้งก็ก็ต้องทําอีกไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันไม่มีวันหมดเนี่ย เราจนกลับมาเกิดไม่รู้กี่พันล้านครั้งแล้วเนี่ยภพชาติที่เรามาเกิดนี่มากมายก่ายกองอยากจะรู้ว่ามากขนาดไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาน้ำตาที่เราร้องให้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี่มารวมกันเนี่ยชาตินี้เราน้ำน้าน้ำตาเราถึงขันหนึ่งไหมถึงขวดน้ำไหมน้าที่เราเดือมเนี่ยเราร้องถ้าเราเก็บน้ำตาที่เราร้องนี่ได้ถึงประมาณสักขันหนึ่งไหมไม่ได้นะครึ่งขันเอาะ พระพุทธเจ้าบอกถ้าเอามารวมในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสีองคิดดูแล้วการจานวนที่เรามาเกิดมาทําตามความอยากกันเนี่ยมันมากจนนับไม่ได้จึงต้องเปรียบเทียบกับน้ำตาที่เราต้องมาหลังในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมารวมกันแล้วมันได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียเองนั้นจะบอกว่ากลับมาเกิดพันล้านชาตินี้ก็ยังน้อยไป พันล้านชาตินี้มันดูจะได้น้ำถึงถึงสระหนึ่งหรือเปล่าแต่การที่จะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่มันไม่รู้กี่กี่ล้านกี่ล้านล้านชาติ่ที่เรามาเกิดกันนี่เรากลับมาเกิดมาล้องห่มร้องไห้มาหาหนูน่นหานี่มาเพื่อมากำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อย การจัดไปกี่ครั้งมันก็กลับมาหาเราใหม่ทุกครั้งกินกาแฟกี่ถ้วยมันก็กลับมาหาเราใหม่เดิมเหล้ากี่แก้วมันก็กลับมาหาเราใหม่สูบบุหรี่กี่มวนมันก็กลับมาหาเราใหม่ไปเที่ยวกี่แห่งกี่หนเดี๋ยวไออารมณ์ความรู้สึกไม่ดีนี้มันก็กลับมาหาเราใหม่แล้วเราก็ไปแก้วิธีเก่าก็ไปทำตามที่มันอยากให้เราทำพอทาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมารบกวนใจเราใหม่ พระพุทธเจ้านี่สงคนพบว่าวิธีที่จะทำให้มันไม่กลับมารบ ก, กวนใจเราก็คืออย่าไปทำตามมันวิธีที่จะไม่ทำตามมันได้โดยที่ไม่รู้สึกหดหงิดลาคาญใจก็ต้องทำใจให้สงบนั่นเองเราจึงเตอามาหัดทำใจให้สงบให้ได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้เวลาเกิดความอยากใจเราไม่สบายเราก็หยุดมันได้ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความรู้สึก ที่ไม่ดีก็จะหายไปแล้วความอยากที่มารบ ก, กวนใจมันก็จะหายไปแบบไม่กลับมาอีกแต่ถ้าเราไปทำตามความอยากความอยากความไม่สบายใจมันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่มันก็กลับโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากมันอยากก็ไม่ไปทำตามมันมันอารมณ์ไม่ดีรู้สึกอึดอัดเราก็มาทำใจให้สงบเสียทาใจ เพ่งให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเหลยวใจสงบอารมณ์ไม่ดีก็หายไปความอยากที่จะทำนูน่นทำนี่ก็จะหายไปทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วมันจะไม่มาดึงให้เราไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยไม่ต้องมาล้องห่มล้องหา้าอยู่เรื่อยนี่แหละนี่คือ เรื่องของการมาทำบุญก็ดีมารักษาศีลก็ดีมาภาวนาก็ดีเป็นขั้นตอนของการหยุดความอยากต่างๆฝืนความอยากต่างๆเช่นวันนี้แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันก็เอาเงินมาทำบุญกันอันนี้ก็จะหยุดการไปเที่ยวได้เพราะเงินที่จะไปเที่ยวเอามาใช้กับการทำบุญแล้วการทำบุญก็ทำให้ใจอิ่มขึ้นมาใจสงบขึ้นมาในระดับหนึ่ง มีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งอพอที่จะทำให้อยู่บ้านเฉยๆได้กลับไปทำบุญเสร็จกลับไปบ้านได้ยิ่จะรู้สึกไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกหงุดหงิดว้าเหวแต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวมันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันมันเหงาขึ้นมาใหม่ก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรายังใช้เงินไปทาตามความอยากต่างๆก็ เอาเงินมาทําบุญดีกว่าจะได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าจะได้ความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่จะทําให้ความอยากของเราน้อยลงไปด้วยทุกครั้งที่อยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาไปทําบุญอยากจะซื้อลองเท้าก็เอาไปทําบุญอยากไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญต่อไปความอยากเหล่านี้มันจะหายไปเพราะมันไม่ได้รับการตอบสนองเลยแต่ถ้าไปตามตามที่มันอยากซื้อกระเป๋าใบนี้เดี๋ยว ไม่กี่วันก็อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วซื้ออะไรใหม่เดี๋ยวมันก็อยากจะได้ใหม่เอยใจมันหลอกเราของที่ได้มาแล้วไม่มีความหมายแล้วกระเป๋าที่ซื้อมาพอเราได้มาแล้วที่ไม่เคยไม่มีความอยากจะได้มันอีกแล้วแต่กระเป๋าที่ยังไม่เป็นของเราอยู่ในร้านนี้กลับไปอยากได้ขึ้นมาอีกนะมันจะหลอกเรามันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันใช่เมันก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันไม่พอถ้าเป็นของเราแล้วมันไม่มีความหมายแล้วมันต้องไม่เป็นของเราพออะไรไม่เป็นของเราก็อยากจะได้มาเป็นของเราขึ้นมาถึงจะมีความสุขพออะไรเป็นของเราแล้วไม่มีความสุขกับมันแล้วแปลกไหอแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นเห็นกระเป๋าของเรานี่อยากจะได้ของเราขึ้นมาเลยอราได้กระเป๋าของเราของก็มีความสุขแต่เรามีเรามีมันเรากลับไม่มีความสุขเป็นเพราะอะไรก็ใจเหมือนกัน ต่างกันตรงที่พอเรามีมันแล้วเราก็ไม่มีไม่มีความอยากจะจะจะมีมันอีกแล้วเพราะมันมีแล้วแต่คนที่ไม่มีพอพอไม่มีก็อยากจะมีขึ้นมาพอได้ก็มีความสุขขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ไม่พอเท่านั้นปัญหาก็ได้มาแล้วถ้าพอก็ดีถ้าได้มากระเป๋าใบหนึ่งก็ต่อไปไม่อยากจะได้กระเป๋าอีกแล้วอันนี้ก็ดีแต่ม่ไม่ต่อให้มาได้สิบใบมันก็มันก็ยังมีความอยากได้อยู่นั่นแหละ งั is, ้การที่จะทําให้ความอยากมันหายไปนี้เราต้องไม่ทําตามความอยากและการที่จะฝืนความอยากได้เราก็ต้องทําใจให้สงบให้ได้ถ้าทําใจให้สงบไม่ได้เวลาเกิดความอยากมันทนไม่ไหวมันจะทรมานใจเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําตามความอยากจนได้แต่ถ้าเราเวลาเกิดความอยากแล้วเราทําใจให้สงบได้ใจจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกทรมาน แล้วความอยากนะั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะมามีอิทธิพลมาลังควานใจเราได้มากามาสร้างความอึดอัดสร้างอะไรต่างๆให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบปัญหาของเราตอนนี้คือเราทำใจให้สงบไม่เป็นใจเราไม่มีความสุขกันเราก็เลยต้องไปหาความสุขตามความอยากต่างๆอยากได้นู่นก็ต้องไปเอามาอยากได้นี่ก็ต้องไปเอามา ได้มาก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก<ม>นี่แหะคือเรื่องที่เรามามาวัดกันส่วนหนึ่งก็มาลดความอยากจากการใช้เงินทองเวลาอยากจะเอาเงินทองไปทําตามความอยากก็เอาไปทําบุญทําทานนถ้ามาวัดเราก็จะได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็ได้มาฟังเทศฟังธรรม เราจะได้รู้เรื่องของการทำบุญว่าทำเพื่ออะไรเราจะได้รู้เรื่องของตัวเราว่าตัวเรานี้ทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขกันถึงจะไม่ต้องมาคอยวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆกันก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่วุ่นวายกันเรารู้จักแต่วิธีหาความสุขที่วุ่นวาย ความสุขที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เราวุ่นวายเพราะคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็ไม่ไม่คงที่ไม่เหมือนเดิ ม, มเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆสามันดีสี่วันไข้เวลาดีก็มีความสุขเวลาไม่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นของเวลามันดีมันก็ให้ความสุขกับเรา พอเวลามันเสียมันก็อลไให้ความทุกข์กับเราเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยถ้าลองเสียดูสิจะรู้สึกยังไงเวลามันไม่เสียเนี่ยรับใช้เราได้ทุกอย่างสั่งให้มันติดต่ อ, อคนนั้นคนนี้สั่งให้มันถ่ายภาพทำอะไรมันทำให้หมดเดี๋ยวเกิดมันเสียขึ้นมานสั่งมันทำไม่ได้แล้วนี่ใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราทำไงก็ต้องไปหามาใหม่ แทนที่จะเลิกใช้มันกลับไปหามาใหม่เดี๋ยวมันก็เจอปัญหาเดิมซื้อเครื่องใหม่ก็มาใช้ได้ดีอยู่อยู่ช่วงอยู่อยู่ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียอีกถ้าเห็นว่าวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปใช้มันดีกว่าเลิกใช้มันซะเมื่อก่อนไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่ใช่เนะมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องมือถือนี่เราก็อยู่กันได้นะอยู่สบายกว่าสียอมนี้มีแล้วเป็นยังไงวุ่นวายกันม แล้ดีไม่ดีก็มีเรื่องมาทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับผ่านมือถืออีกเดี๋ยวไปอ่านเรื่องไม่ดีเข้าไปได้ยนินเรื่องไม่ดีเข้าก็โกรธขึ้นมาร้อนใจขึ้นมาเนี่ยมีแต่หาเรื่องกันนะวิธีหาความสุขของเราก็หาความสุขแบบมีเรื่องมีราวเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนหความสุขแบบจืดจืดดิไม่ชอบชอบความสุขแบบเผ็ดเผ็ดร้อนๆอนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน ความสุขที่จิดจืดก็คือความสุขที่ได้จากความสงบเนี่ยมันจืดแต่มันไม่มีพิษมีภัยมันสงบก็ ม, มีความสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขที่ไม่มีโทษตอนนี้เราหาความสุขแบบมีโทษกัน เพราะว่าการหาของเราบางทีก็ทําให้เราต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ต้องไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ไปทําร้ายคนนั้นคนนี้พอมันทําแล้วมันก็มีผลกระทบกลับมาหาเราทั้งจากผู้ที่เราไปกระทําน่าจากเหตุการณ์ที่เราทำไว้มันมันเท็กแล้วมันก็มาหลอกมาหลอนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยมันจะหลอนเราคนที่ใกล้ตานี่เหมือนคน ใกล้จะหลับเนี่ยบางทีมีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอนออกมาครึ่งหลับครึ่งตื่นช่วงนั้นไม่มีสติสตังถ้าทําบาปไว้เรื่องที่เคยทําบาปไว้มันก็จะมาหลอกมาหลอนแต่ถ้าทําดีทําบุญไว้มันก็จะทําให้ใจสงบฝันดีนอนหลับฝันดีนี่คือเรื่องของใจของเราที่เราไม่รู้จักกันแล้วไม่ค่อยสนใจที่จะมา ดูแลรักษาหรือมาแก้ปัญหาของใจกันเรากลับไปแก้ปัญหาของความอยากกันเพราะความอยากนี่มันมีผลกระทบต่อใจเราอย่างมากพออยากแล้วมันต้องดิน้นถ้าไม่ถ้าไม่หาสิ่งที่มันอยากได้มันจะไม่หยุดดิน้นมันจะทำให้ใจเราดิน้นทำให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราไม่มีความสุขเราก็เลยต้องรีบไปทำตามความอยากกัน พอทาแล้วมันไม่หมดมันหมดชั่วคราวนี่เดี๋ยวก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาพออยากดูก็ดูดูเสร็จเดี๋ยวอยากไปกินอีกแล้วเดี๋ยวอยากกินแล้วเดี๋ยวก็อยากไปดื่มอีกแล้วอยากไปดื่มแล้วเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวอีกแล้วมันมีตัวอยากคอยเข้าคิวมาคอยกระตุ้นให้เราต้องทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเนี่ละ<ม>แล้วก็ไม่มีความสุขที่แท้จริง มีความสุขประเดียวประเดาแล้วก็พอเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้มันก็จะเดือดร้อนมันก็จะทุกข์กันมันต้องมีเวลาที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เพราะบางทีของที่เราอยากได้มันไม่อยู่กับเราเสียแล้วเช่นมีแฟนนี้วันดีขึ้นดีแฟนไม่อยู่กับเราเสแล้วแล้วเราจะไปเอาแฟนมาจากที่ไหน จะหาใหม่มันก็ไม่ใช่หาแบบง่ายๆนะตอนที่ยังไม่มีแฟน น, นั้นนนั้ก็เหงาแล้วสิแฟนเราก็ไม่แน่นอนบางทีเขาก็อยู่กับเราบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเราบางทีเขาอยู่กับเราแต่เขาก็เปลี่ยนไปเขาเคยดีเขากลับเปลี่ยนไปไม่ดีมันก็ทําให้เราเอาทุกข์อีกแล้วนะวิธีการหาความสุขวิธีแก้เหงาแก้ปัญหาของเรากลับไปกลับไปกลับไปเจอความ ทุกกลับไปเจอปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขให้กับใจเราอย่างถูกต้องเพราะเป็นวิธีที่จะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาสร้างเรื่องราว เ, เรื่องวุ่นวายต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอทำไมเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมีแล้วไม่วุ่นวายกับใครพอไปมีครอบครัวนี่ต้องวุ่นวายกั บ, บครอบครัวแล้ว วุ่นวายกับสามีวุ่นวายกับลูกวุ่นวายกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่หามาได้กันการการแก้ปัญหาของเราจึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหากับเป็นการสร้างปัญหาโดยไม่รู้สึกตัวแก้ปัญหาระยะสั้นคือแก้ปัญหาความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากแล้วก็ไปเอาเรื่องมาเพิ่มให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นให้มาแก้มากขึ้น พไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีแก้ก็คือต้องมาทำใจเราให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าใจเราสงบแล้วเราจะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองความสงบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรารวยมหาศาล ร, รวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐี มาเศรษฐีมีกี่แสนล้านก็ยังไม่พอยังอยากจะได้อีกหรือถ้าไม่อยากได้ก็ไม่อยากจะเสียก็ต้องคอยมาดูแลรักษาสมบัติที่มีไม่ให้มันหดไม่ให้มันถดถอยให้มันให้มันน้อยลงไปก็ต้องมาวุ่นวายกับสมบัติอีกอยู่ดีความสุขที่ได้จากสมบัติก็หายไปเพราะถูกความวุ่นวายที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาสมบัติมากรบเอาไว้ แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรมาวุ่นวายมากบความสุขอันนี้ได้เพราะความสุขอันนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีคนนั้นคนนี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาของเราได้อย่าง ราบคาบอย่างถาวรพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกได้แก้มาแล้วแล้วท่านก็เลยเอามาเผยแผ่มาบอกพวกเราให้รู้ว่าการแก้ปัญหาของพวกเราทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ต้องมาหัดทำใจให้สงบให้ได้การจะทำใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเครือบเือ เครื่องมือที่ทำใจให้สงบก็คือเนี่ยคือหยุดใช้เงินใช้ทองไปตามความอยากต่างๆถ้ายังใช้เงินตามความอยากอ ย, กอยู่ก็หยุดใช้มันให้ได้ถ้ายังทาบาปอยู่ก็ต้องหยุดมันให้ได้เพราะการกระทาเหล่า น, นี้มันไม่ทำให้ใจเราสงบมันทำให้ใจเราวุ่นวายถ้าเราหยุดสองอย่างทำสองอย่างนี้ได้ทำทานได้รักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาที่เราจะมาควบคุมความอยาก ควบคุมความคิดได้อย่างต่อเนื่องเพราะการจะควบคุมความอยากนี้ต้องควบคุมความคิดจะควบคุมความคิดก็ต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีเรื่องให้เราคิดกันถ้าไปอยู่ที่ที่มีเรื่องให้คิดมันก็หยุดคิดไม่ได้เช่นนี่เรายังต้องไปทำมาหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากอยู่มันก็ต้องคิดหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลือกใช้เงินใช้ทองตามความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปหาเงานินหาทอง เราก็ไปอยู่ที่เงียบๆคนเดียวที่ไม่มีเรื่องราวต่างๆมาให้เราคิดแล้วเราก็ใช้ใจเราเข้าดูมันเวลาคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดเวลาคิดก็หยุดมันหยุดมันถ้ามันไม่ยอมหยุดเราก็ใช้ความคิดมาหยุดมันได้ใช้ความคิดอีกความคิดหนึ่งมาหยุดมันได้ฉะนั้นมันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้ามันจะคิดถึงเพื่อนคิดถึง คนนั้นคนนี ank, ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอมันคิดอยู่กับพุทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองถ้าพอมันหยุดคิดแล้วก็หยุดพุทโธได้พุทโธมีไว้เพื่อหยุดความคิดอื่นๆนะลงพอความคิดอื่นๆไม่คิดแล้วเราก็หยุดพุทโธเราก็อยู่เฉยๆได้พอไม่คิดมันก็ไม่มีความอยากตามมา พอไม่มีความอยากอารมณ์ที่หงุดหงิดลาคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเงา ว, ว้าเหวก็ไม่เกิดขึ้นมาก็อยู่คนเดียวมีความสุขได้เวลาร่างกายเป็นไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องอาศัยร่างกายจะไปทําอะไรก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอร่างกายแก่ก็ทําไม่ค่อยไหวพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําไม่ได้ เวลาไม่มีร anyway ่างกายเวลาร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต้องไปเกิดใหม่แต่พอเราทำใจให้สงบได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่อยู่แบบไม่มีร่างกายตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่อยู่แบบไม่มีร่างกายเพราะเราอยู่แบบมีร่างกาย เพราะเรายังชอบแบกร่างกายอยู่เนี่ยมีร่างกายก็ต้องมาแบกมันต้องมาเลี้ยงดูมันตั้งแต่เติมมานี้ก็ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายก่อนละอาบน้ำให้มันนั่งหน้าแปรงฟันให้มันหาข้าวหาน้ำให้มันกินเสร็จแล้วถึงจะเอามันมาใช้ได้ถึงเอามาใช้พาเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่พาไปทำนู่นทํานี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันเวลามันแก่มันเจ็บมันตาย แล้วว่าเวลามันไปเจอภัยต่างๆไปเจออุบัติเหตุต่างๆมีแต่ปัญหาทั้งนั้นถ้ามีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าจะอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ก็ต้องมีความสงบมีความสุขในตัวเองก็ต้องมีสติถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วมีปัญญาก็คือให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี่ อย่าไปหาความสุขทางอื่นเพราะไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขเป็นวิธีหาความทุกข์กันอันนี้คือปัญญาสติปัญญาเนี่ยพอเรามีเวลามาอยู่คนเดียวเราก็จะมาสามารถสร้างสติสร้างปัญญาได้ถ้าเราสร้างสติสร้างปัญญาได้เราก็จะทําใจให้สงบให้ใจมีความสุขได้ตลอดเวลาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนอีกต่อไปจนวันตาย ตายแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายให้เดือดร้อนอีกแล้เพราะเข็ดแล้วดูแล้วว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าเกิดแล้วมันต้องทุกข์พอออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้ก่อนแล้วใช่ไหมทุกข์ไหมเวลาออกมาทําไมถ้ามันสุกมันต้องหัวลราใช่ไหมเด็กเด็กที่คลอดใหม่ถ้าไมเห็นมันหัวเราะสักคนมีแต่ร้องกันเท่งนะั้นเะพราะมันต้องหายใจเองใช่ไหม ขนาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจเองเนี่ยแม่คอยเลี้ยงทุกอย่างให้หมดแต่พ่อออกมาจากท้องแม่นี้ต้องหายกินเองแล้วอย่างน้อยก็ต้องบอกแล้วเดี๋ยวหิวแล้วหิวมันอยู่ในท้องแม่มันอิ่มตลอดเวลาเพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงตลอดเวลาแต่พ่ออกมาจากท้องแม่นี้มันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนนะพอมันหิวมันก็ต้องลองนะเพราะมันทุกข์ น, นะสถานการเกิดจึงเป็นทุกข์ ทุกพอเกิดก็ทุกแล้วแล้วพอแก่ก็ทุกอีกพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกอีกพอตายก็ทุกอีกแต่พวกเรากลับมองไม่เห็นว่าเป็นทุกันยังอยากจะมีร่างกายกันอยู่ทุกคนยังอยากจะอยู่กันไปนานๆอยู่ชอบอยู่กับความทุกข์กัน <party> <c oughs> ความหลงมันทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกเราเห็นว่ามันเป็นสุขมีร่างกายแล้วเราจะได้หาความสุขได้ ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้แต่เป็นความสุขนิดๆหน่อยๆแต่ความทุกข์ที่ต้องอยู่กับมันตลอดนี่ไม่เห็นกัน เ, ออเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หิวข้าวหิวน้ำปวดหัวปวดท้องทุกอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นเห็นแต่ความสุขที่ได้นิดเดียวตอนที่ไปเที่ยวกันเดี๋ยวเดียวเดยอยากจะอยู่กันอยู่แล้วก็เลยต้องมาบ่นว่าทุกข์กัน เ, ออเออพราะเราไม่มีเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ถูก ถูกต้องไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบตรงนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้เรามาหาความสุขที่ถูกต้องลองมาทําดูเราหยุดใช้เงินทองตามความอยากต่างๆใช้กับสิ่งที่จําเป็นใช้เลี้ยงร่างกายนี้จําเป็นเลี้ยงไปแต่อันไหนไม่จําเป็นอย่าไปใช้มันอยากได้กระเป๋าใบใหม่อย่าไปซื้อมันอยากไปเที่ยวอย่าไปแต่อยากจะมีความสุขจากการใช้เงินเอาไปทําบุญ จะเป็นความสุขที่ไม่มีโทษตามมาเพราะไม่มีความอยากตามมาแล้วก็รักษาศีลอย่าทำบาปแล้วก็ไปหาเวลาอยู่คนเดียวทำงานให้น้อยลงไปหรือเลิกทำงานเลยก็ได้ถ้ามีเงินสะสมไว้ยเยอะก็เก็บไว้หรือถ้าบวชได้ก็ไปบวชแล้วก็จะมีคนเข้าเลี้ยงดูเราเราจะได้มีเวลามาเจริญสติเจริญปัญญา เพื่อมาทำใจของเราให้สงบให้มีความสุขในตัวเราเองให้ได้พอเราทำได้แล้วเราจะเป็นผู้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปเพราะเราก็จะได้ไปสอนคนที่ไม่รู้ที่ยังมีอีกเยอะแยะที่ไม่รู้อิโนเอเนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยคิดว่าเป็นการสร้างความสุขกันต่อไปพอเรารู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง แล้วต่อไปเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยเหลือคนอื่นตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยเหลือพระองค์ก่อนช่วยเหลือทําให้พระองค์มีความสุขก่อนพอพระองค์รู้จักวิธีทําให้พระองค์มีความสุขแบบไม่มีความทุกข์แล้วท่านก็มาสอนคนอื่นต่อไปคนที่ไม่รู้อย่างพวกเราก็จะได้รู้กันแล้วก็จะได้รู้หาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันได้นี่คือเรื่อง ที่เรียกว่าการทำบุญการหาความสุขที่ถูกต้องต้องเกิดจากการทำบุญสามข้อเกิดบุญที่เกิดจากการทาทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิด จ, จากการทำใจให้สงบให้มีความสุขถ้าทำสามข้อนี้ได้แล้วเราจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเปรติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอ an ิที่ตังปฏทที่ตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตุสัพเพเปรตุสังกปาจันโทปนะระสสยะามณิโชติ อาราโสยะาสัพพิตโยวิวจาชนตุสัพพโรโควินาสตุมัเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิตสนิจจังวุทฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏานเตอายุวันโอสุขัง าาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่หนึ่งามค่ะวันนี้ทางเฟซบุ o กสี่ร้อยสิบสองยูหนึ่งร้อยห้าสิหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกผู้รับชมบมนเขาสี่สิบสี่รวมทั้งสิ้นห3รอยสิแปดท่นานค่ะวันติดตามเยอะเหมือนกันนะหกร้อยกว่า นั่งอยู่ข้างล่างเลยอสาวเธอให้สุขให้เจริเนะี่ยให้พ้นทุกข์ให้หลุดพ้นไม่กล้องมาเกิดเด็กต่อไปไม่ยากหรอกถ้าหยุดความอยากได้ก็จบแค่นี้นมไม่ยอมหยุดกันให้จะพูดต้องแววมันมาก่อนอจะอย่าพูดต้องแววมันมาก่อนเดี๋ยวขอไมค์ก่อ น, นได้ไหม อันนี้ก็อยากจะพูดเป็นยังไงกไ็หาอะไรกลัวน ะ, <อ>ะเจออะไรกลัวก็เข้าหามันเลยพุโทโธพุโทโธก็ไปเข้าหามันเลยออมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกใจเราไม่มีวันตายไม่มีใครเข้าถึงใจเราได้มันเข้าได้ก็แค่ร่างกาย างานกายก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีเอาว่าม า, ากาบเรียนถามใช่คับคือถ้าใจเป็นนิพพานแล้วเนี่ย ค, คือความอยากจะหมดไปหมดแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องละถ้าขั้นต้นจะเป็นโสดานี้เราก็ต้องละสามสั่งโยศ์สามตัวแรกใช่ไหมมามาเป็นพวงละตัวหนึ่งอีกสังตัวหนื่นกันถูกละไปพร้อมๆกัน ละสกายทิฐิดได้มันก็จะล ะ, ะวิจิตรช้าละศีลพัตนารลามาไดม า, มาเป็นพวงใช่ค่ะแล้วแล้วตอนไหนคือคือถ้าเราปฏิบัติอยู่เราต้องภาวนาให้ได้อุเบกขาเรามีสติใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วเราก็ภาวนาได้อุเบกขาแล้วเมื่อถึงตอนไหนเราสามารถที่จะพอเออ พิจารณาร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าให้เราพิจารณานี่มันพิจารณาเป็นการทำการบ้านเป็นการสอนให้รู้ว่าเราต้องปล่อยอะไรก็ร่างกายนี่เรามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าไม่ตลอดอ่าันมันก็ต้องจากเราไปเห็นเราอย่าไปเกาะมันเราต้องรู้จักปล่อยงั้นณปัจจุบันอย่างนี้โยมก็พิจารณาไปเรื่อยก็ได้แล้วใช่แต่เป็นการทาการบ้าะยังไม่ได้ปล่อย นี่อยากจะรู้ว่าปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงก็ต้องไปหาที่ต้องปล่อยด้วยที่มันจะตายเวลาขึ้นเครื่องเครื่องมันจะตกนะตอนนั้นจะรู้ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยะถ้าปล่อยมันจะไม่ทุกข์นะถ้ายังไม่ปล่อยยังอยากให้มันอยู่ต่อไปมันก็จะทุกข์หรือเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยหมอบอกเหลืออีกสามเดือนถ้าปล่อยก็ไม่ทุกข์ ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยใช่ค่ะแต่ที่ให้พิจรารณาไว้ก่อนเพะะนื่จะได้รู้ว่าต้องปล่อยใช่ vinden, ค่ะไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นคื อ, ต, อต้องปล่อยต้องปล่อยใช่ค่ะถ้าปล่อยเราจะไม่ทุกข์แต่มันจะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงจังกว่ามันจะเจอของจริงเพาะฉะนั้นมันจะปล่อยได้ก็ต่อเมื่อมันเจอของจริงจรเจอความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วก็ปล่อยจริงๆยอมให้มันตายจริงๆไปใช่ค่ะพอยอมตายจริงๆมันก็จะหายทุกข์ มันจะเห็นมันต้องเห็นแบบสดสดร้อนๆตอนนี้เห็นแบบสัญญา <c oughs> เห็นแบบทฤษฎี <c oughs> ตอนนี้เราคุยอย่งนี้เป็นทฤษฎีก <ทำ S 1> ารา ต, ต้องต้องทําต้องเตรียมตัวไว้ก่อน <c oughs> แล้วพอไปเจอ <c oughs> เจอของจริงดูจะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ทําได้แต่พอเจอของจริงมันยังจะรักษาอุเบกขาได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> เจ้าค่ะยาวมิยะ ถ้าจะให้เป็นอุเบกขาก็ต้องปล่อยนะอถ้าไม่ปล่อยใจก็จะสัน่นใจก็จะเครียดขึ้นมาจจจเจาอ็นที่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้ว่าต้องปล่อยบรณาสติเหมือนกันนะเครียดอยู่เรื่อยว่าเดี๋ยวต้องตายแล้วญญมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีส่งให้ทางพิธีกร เดี๋ยวจะได้เอาคาถามจากทางบ้า น, นี่คนเราตอนนี้หลงกันเนียพอะอ่านเข้าใจแล้วคิดว่าปล่อยแล้วคิดว่าเป็นโสดาตอนนี้นี่นโสดาเดยอะรู้จักโสดาไหมพออ่านเข้าใจว่าละสักกายาทิฏฐิเขาก็เข้าใจเนี่ยร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็รู้ว่ามันต้องอตอนนี้ก็ไม่ยึดไม่ติดกันแล้วมันจะแก่ก็ปว่วยมันแก่มันเจ็บก็เจ็บ ก็คิดได้แต่ยังไม่เจอของจริงไม่เจอของจริงเวลามันมันมันเจ็บขึ้นมาจริงๆหรือว่าเรามันแก่ขึ้นมาจริงๆผมหงอกขึ้นมาผมร่วงขึ้นมาดูที่ว่าจะทําใจได้หรือเปล่านี่มันคนสมัยนี้ศึกษาธรรมะ ก, กันแล้วคิดว่าบรรลุด้วยปัญญาไงเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพวกไม่ต้องใช้สมาธิบรรลุแบบใจยังเพราะตอนนี้ใจเป็นปกติไง ใจยังไม่ได้เจอเหตุการณ์มันก็ไม่มีอาการอารมณ์อะไรต่างๆไม่ไม่สั่นไม่วุ่นวายก็เลยคิดว่ามีปัญญาสามารถทำใจให้ไม่วุ่นวายได้แต่พอไปเจอของจริงขึ้นมาไม่รู้จะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยางคนก็คิดว่าไม่ต้องปฏิบัติให้เสียเวลาให้เข้าใจก็พอเข้าใจว่า ทุกเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็หายทุกข์แล้วตอนนี้อยากก็ฝังไม่อยากนี่แก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปตอนนี้ใครๆก็พูดได้อต่าตามไม่เจอเวลาเจอหมอเนี่ยพูดได้เปล่าหมอบอกเป็นมะเร็งนะรักษาขั้นขั้นที่สามแล้วรักษาไม่ได้แนละ้ว ทีนี้ก็ดูด้วยว่าเป็นยังไงถ้าเฉยได้ไม่เป็นปกติมันไม่มีอะไรมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ใช้ได้เราจะรู้ได้ที่ตัวเองใช่อ่าสาทิตโกสวนมาตั้งมาดูกี่ปีแล้วเนี่ย <laughs> อากาลิโกสารทิตโกผู้ปฏิบัติจอมรู้ได้ด้วยตนเองออมีใครอยากจะ ถามไม่ไม่มีไม่มีทางบ้านกันแล้วกันค่ะคำถามคถามแรกเป็นคำถามจากทางไลน์นะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหากมีคนที่เขาอยากตายเราจะปลอบใจเขาได้อย่างไรบ้างคะหรือแนะนำให้เขาไปปฏิบัติธรรมจะช่วยไหมคะขอบพระคุณค่ะก็แล้วแต่เขาต้องเขาทำอะไรได้ก็บอกเขาไปตา ให้เขาทำใจให้สงบได้ก็บอกเขาไปมาอยาคิดมากเลยคิดไปก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเราอยากจะให้จิตใจเรามีความสุขดีขึ้นก็ให้หยุดความคิดซนะพุโทโธพุโทโธไปซะทำใจคำถามข้อต่อไปค่ะการที่เรารู้พฤติกรรมหรือการกระทาของผู้อื่นการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่าอะไรคะจะเหมือนหรือต่างกับการรู้ในจิตของเราอย่างไร รู้ของตัวเราเองเรียกว่ารู้ภายในรู้ผู้อื่นเรียกว่ารู้นอกตัวใช่หรือไม่เจ้าคะแล้วเราจะตัดหรือทิ้งผู้รู้นี้อย่างไรคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณเจ้าคะ่ะจะไปตัดมันทําไมจะไปทิ้งมันทําไมถ้าไม่มีผู้รู้ก็มันก็ไม่รู้เรื่องเลยมันต้องมีผู้รู้เพีงแต่ให้ผู้รู้ฉลาดเท่านั้นเองตอนนี้ผู้รู้มันโง่มันหนงมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว แล้ว้ังสอนให้มันฉลาดให้มันรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันแน่ให้รู้ว่าอะไรมันเที่ยงอะไรไม่เที่ยงพอนนี้มันไปคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เที่ยงคิดว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นสุขเนี่ยมันรู้แบบหลงเราอาศัยผู้รู้ที่ไม่หลงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเรากา็จะสอนว่าทุกอย่างที่เรารู้ที่เราคิดว่าเป็นสุขมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยง มันสุขตอนที่ได้เวลามันเสียมันหมดเนี่ยมันมันจะทุกข์าบยศสรรเสริญเนี่ยที่วิ่งกันหากันแย่งกันฆ่ากันทุกวันนี้ก็คิดว่ามันเป็นความสุขกันแล้วพอเวลาได้มาก็ดีใจกันเลี้ยงฉลองกันแล้วพอมันหมดไปก็กระโดดตึกตายกันไม่เห็นว่ามันจะต้องมีวันหมดของทุกทสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไร รางวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดจากมือเราไปไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเวลาจากกันก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอยเมื่อกี้คนเมื่อกี้ที่อยากจะฆ่าตัวตายก็คงเฉพาะสูญเสียอะไรไปทักอย่างหรืออยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เลยท้อแทบเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ไ ม, ไม่มันไม่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอน บางที่อยากแล้วได้ก็ดีใจพออยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจเนี่ยตัวรู้เรากําจัดมันไม่ได้หรอกเพราะตัวรู้มันมันเป็นตัวเราของเรามันอยู่กับเราไอ้สิ่งที่เรากําจัดได้คือของที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่กําจัดมันลาบยศสรรเสรินนี่ไม่ใช่ของเราแฟนเราลูกเราสามีเราภรรยาเราเนี่ยไม่ใช่ของเรากําจัดไปให้หมดอยู่กับมันแล้วมันทุกข์ไงไหมแต่ไม่ยอมกําจัดกันนีง เยอย่าไปกําจัดใ้ตัวที่ไม่ต้องกําจัดตัวรู้ไม่ต้องไปกําจัดมันนะไอ้กาจัดได้ตัวที่ตัวรู้ไปหลงไปหลงติดอยู่นะี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นคําถามข้อต่อไปค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะไปปฏิบัตินอนข้างลุมศพในป่าช้ามาระหว่างทําสมาธิดูลมหายใจไปได้สักพักก็ได้กลิ่นเหม็นสาบเหมือนศพลอยมา พอแพ่พอแพ่ส่วนกุศลให้กลิ่นก็หายไปข้อที่หนึ่งอันนี้เข้ามาขอส่วนบุญหรือเราคิดไปเองเพราะทำให้เรากลัวการปฏิบัติในป่าช้าไม่อยากได้กลิ่นแบบนั้นอีกค่ะก็การไม่อยากมันก็เป็นทุกข์เวลามันมีอะไรมาปรากฏก็ให้รับรู้ไปอย่าไปอยากหรือไม่อยากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ มันมาก็ให้มันมามันมัมันไม่มาก็อย่าไปอยากให้มันมาให้อยู่กับความจริงไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอุปทานหรือมันเป็นอะไรมันไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่การที่เราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าไปเจออะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกมิตนกายหรือทางใจก็ให้รู้ว่ามันเป็นตายักหรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็ต้องปล่อยมันมามันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราอยากจะไปจัดการกับมันอยากให้มันหายไปบ้างอยากให้มันอยู่บ้างถ้ากลิ่นหอมก็อยากจะให้มันอยู่เพราะกลิ่นเหม็นก็อยากจะให้มันหายมันก็เลยวุ่นวายใจต้องให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้ต่ห้ามมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ อยู่กับมันได้ก็ต้องอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็พอใจสงบแล้วมันก็อยู่กับมันได้ข้อที่สองค่ะควรจะฝึกปฏิบัติในป่าช้าตอ่อหรือออกมาฝึกข้างนอกก่อนค่ะก็แล้วแต่เราถ้าอยู่ฝึกแล้วได้ผลก็อยู่ไปถ้าฝึกแล้วมีปัญหาสู้ไม่ไหวก็ต้องถอยก่อนถ้าอยู่แล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปอยู่ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็ต้องไปอาจจะต้องไปเปลี่ยนที่ปฏิบัติข้อที่สามค่ะหลังจากฝึกในป่าช้าเวลาเจอคนเหมือนเกิดความว่างความคิดว่าเขาเป็นคนสวยไม่สวย <c oughs> ชอบไม่ชอบหายไปหมดอย่างนี้ฝึกถูกทางไหมคะไหนลองถามอีกทีค่ะ หลังจากฝึกในป่าช้าเวลาเจอคนเหมือนเกิดความว่างความคิดว่าเขาเป็นคนสวยไม่สวยชอบไม่ชอบมันหายไปหมดอย่างนี้ฝึกถูกทางไหมคะออถ้ามันไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เห็นไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ถูกทางใจเป็นกลางรู้เฉยๆคำถามข้อต่อไปจากทาง YouTube ค่ะคุณบีนี่เมอยากทราบถามว่า ก่อนเราจะตัดสินใจควรตั้งสติอย่างไรบริกรรมอย่างไรให้ได้ไปพบภูมิที่ดีขึ้นคะขอบพระคุณคะ อ, อ๋อไม่ไม่ใช่อยู่ที่การตั้งใจตั้งสติครั้งเดียวหรอกมันเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้คิดไปในทางที่ดีตลอดเวลาฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้ใจอยู่ในความสงบแล้วใจก็จะไปในทิศทางที่ดีได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณซีซันเชนจ์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราใช้ใจในการทำสมาธิเจริญปัญญาเมื่อเราตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นเราใช้ใจเดิมทำสมาธิต่อทำไมถึงไม่ได้คะต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นมันไม่มันไม่มีสติพอที่จะควบคุมบังคับมันมันอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับเราก็ไปควบคุมใจไม่ได้ ตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราไม่มีสติมันก็เลยมีสติแต่มันไม่มันมันไม่มีเหตุการณ์มันไม่มีอะไรที่จะมามาทําให้เราต้องทําอะไรมันก็เลยอยู่เฉยๆไปแล้วก็ปล่อยให้ใจมันคิดไปตามอัธยาศัยของมันให้บุญให้บาปเป็นตัวผลิตความคิดความอะไรต่างๆขึ้นมาย่างในสภาพที่ตายไปนี้ก็เหมือนสภาพที่คนนอนหลับ ถ้าหลับก็อยู่ในสภาพที่ฝันได้อย่างเดียวถ้าบาปพาฝันก็ฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีถ้าบุญพาฝันก็ฝันแต่เรื่องที่ดีต้องมาเกิดใหม่ถึงจะมาเริ่มควบคุมใจได้ใหม่คําถามข้อต่อไปจากคุณเฟซบุ๊กคุณทวิชาคะ่ะอยากเรียนถามว่าคารวารที่บรรลุธรรมไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วเขาจะอยู่ในโลกสมมุติอย่างมีความสุขหรือเปล่าคะ เขาก็ไปบวชกันทั้งนั้นนะี่อย่างนี้ว่าเขาอยู่ผิดกลุ่มแล้วเขาเป็นแกะดำนะอยู่ในโลกของคารวะก็ไม่ทํากิจกรรมของคารวะ<ม>ก็ต้องไปอยู่กับกลุ่มที่เหมือนกันก็ไปอยู่กับพวกนักบวชนะสมัยพุทธกาลพวกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บวชพอบรรลุก็ขอว่าพระพุทธเจ้าบวชกันทุกคนเพราเขารู้ว่าเขาเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกันกบพวกที่เขาเคยอยู่นะ เขาเป็นแกะดํานะเขาก็ลองหาพวกแกะดําอยู่พวกแกะขาวเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะคำถามข้อต่อไปจากคุณพลค่ะจิตที่มีความวิตกกังวลต้องแก้ไขยอย่างไรครับหยุดคิดนะหยุดคิดหาเวลาวิตกกังวลกับพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมันก็หยุด คำถามข้อต่อไปจากคุณอุ๋มค่ะถ้าเรามีความคิดอกุศลขึ้นมาในใจเราควรทําเช่นไรครับก็หยุดมนันไงก็พูดโธพูดโธมันคิดไม่ดีปล่อยมันคิดทําไ ม, มก็หยุดมันได้นะแล้วก็ไม่หยุดมันเองชอบปล่อยให้มันคิดนึงคำถามข้อต่อไปจากคุณบลาค่ะหลวงพ่อคะตัวลูกชอบนั่งสมาธิแต่เวลานอนมักฝันมีคนมาขอให้ช่วยบ่อยๆได้พูดกับเขามีมาจํานวนมากยิ่งทํา ให้ยิ่งมามากค่ะส่วนมากมาขอน้ําอาหารค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนอกจากเรามียานอย่างทราบแยกแยะได้ว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นกายทิพย์มาขอก็มีไม่แน่ทีเราถ้าเราแยกแยะไม่ได้ก็ก็อยากไปว่ามันเป็นอะไรก็เลยก็ยรู้มันว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน เขาขอมาก็มีอะไรก็ส่งให้เขาไปเขาขอน้ําก็เอาน้ําไปทําบุญเขาขอเสื้อผ้าก็เอาเสื้อผ้าไปแจกคําถามข้อต่อไปจากคุณมานิสาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราจะมีวิธีปฏิบัติในระหว่างที่เราเจ็บป่วยนอนอยู่เฉยๆได้อย่างไรคะก็เนี่ยก็พุทโธพุทโธไป พุโทโธนี่เราทำได้ทุกทุกขณะทุกเวลาทุกสภาพของร่างกายเพราะพุโทโธมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายว่าจะต้องแข็งแรงหรือต้องไม่ป่วยหรืออะไรมันทำได้ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เคยทำมันก็เลยทำไม่เป็นอย่าไปคิดว่าพุโทโธง่ายนะําเดียวมันพูดง่ายแต่ทำยากนะถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมมันจะไม่ออกมาแต่ถ้าเราฝึกซ้อมบ่อยๆหัดทาบ่อยๆ เราก็จะทำได้ในทุกเวลาทุกอิริยาบุต ท, ทุกเหตุการณ์แล้วมันจะช่วยคุ้มครองรักษาใจของเราให้สงบได้คำถามข้อต่อไปจากคุณบีนัทนารีค่ะ หากเรารับสินค้ามาขายต่อและโฆษณาว่าเป็นของแท้100ยเซ็์แต่ความจริงเป็นของปลอมซึ่งเราเองก็ไม่ทราบมาก่อนหรือการรับจ้างรีวิวสินค้าเช่นอาหารเสริมอวดอ้างสรรพคุณตามที่เขาบอกโดยที่เราไม่ได้ใช้เองแค่รับจ้างรีวิวเท่านั้นและมาทราบทีหลังว่าสินค้านั้นไม่ได้มาตรฐานปลอมออยอแบบนี้ผิดสินข้อ4ี่หรือไม่คะขอบคุณค่ะถ้าเราทำไปโดยไม่รู้มันก็ยังไม่ผิด แต่ถ้าเรารู้แล้วยังทำต่อมันก็ผิดถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการโกหกหลอกลวงเราก็อย่าไปทำเพราะเราเป็นเหมือนกับเป็นผู้มาทำแทนเขาเพราะเราได้รับผลประโยชน์จากการโกหกหลอกลวงนี้ด้วยแตนถ้าไม่รู้ถ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามั น, เ ป, นเป็นจริงตามที่เขาได้เขียนไว้ในสรรพคุณอันนี้ก็ไม่เป็นการหลอกลวงถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นของจริง แต่ก่อนที่เราจะมาทําสิ่งเหล่านี้เราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ามันเป็นเป็นไปตามความเป็นจริงั น, นไม่ใช่ว่าเขาเขียนยังไงแล้วก็เชื่อเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่มันก็ถือว่ามันเป็นการการทำที่ไม่รอบคอบที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายหถูกหลอกลวงได้คำถามข้อต่อไปจะคุณปัฐมาพรค่ะ คือให้ไปอยู่ในที่ที่น่ากลัวถ้าใจเรานิ่งได้แสดงว่าเราโอเคใช่ไหมเจ้าคะก็มันก็มีนิ่งสองแบบไงถ้านิ่งสติก็โอเคชั่วคราวถ้านิ่งด้วยปัญญาก็โอเคอย่างถาวรเช่นเรากลัวผีแล้วเราคิดว่าอย่างมากผีทาเราได้ก็แค่ทำให้เราตายเราก็ยอมตายเพราะเราเห็นว่าร่างกายมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องตาย เมื่อถึงเวลามันจะต้องตายถ้ามันจะต้องเป็นวันนี้ก็ให้มันตายไปถ้าเรายอมตายแบบนี้ต่อไปเราจะไม่กลัวผีอีกต่อไปแต่ถ้าเราทุกครั้งที่กลัวผีเราก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องผีมันก็หายกลัวมันก็หายไปชั่วคราวแล้วเกิดถ้าเราไปคิดถึงมันใหม่มันก็กลับมาใหม่งั้นมันมีวิธีแก้แบบถาวรกับแก้แบบชั่วคราวแก้แบบชั่วคราวก็หยุดความคิดที่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัว ถ้าแก้อย่างถาวรก็ยอมยอมยอมตายไปถ้าถ้าเรายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วมันจะไม่กลัวอีกต่อไปคําถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการทํางานที่เดินยืนตลอดวุ่นวายตลอดดูอาการเคลื่อนไหวไม่ทันจะใช้อะไรครับก็อย่าทํางานดิจะทําไงได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณแพมค่ะถ้าเราโกหกพ่อแม่เพื่อให้เขาสบายใจไม่ต้องมาเป็นกังวลกับเราแบบนี้ถือว่าบาปผิดศีลหรือไม่เจ้าคะมันก็บาปมันก็โกหกก็อย่าพูดเฉยๆไม่ได้นยะถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเท่านั้นเองพูดโกหกไม่ว่าจะเหตุผลกลไกใดมันก็โกหกเท่นั้น คำถามต่อไปจากคุณอาทิตยาค่ะกลับน้มัสการเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิไม่ได้กําหนดแต่รู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างนี้ได้ไหมคะถ้ามีภาระหน้าที่แต่มีความอยากบวชตลอดเวลาควรบวชแบบไม่ต้องโกนผมระยะสั้นก่อนดีไหมคะหรือควรโกนผมบวชสักเดือนไปเลยค่ะก็แล้วแต่เราต้องการทําแบบไหนก็ทําได้แต่เป้าหมายต้องบวชตลอด ถ้าบวชแล้วกก็อย่าไปบวช <c oughs> เพราะว่ามันก็ทำให้สำเร็จเพราะการบวชนี้มันต้องการทำให้สำเร็จงั้นถ้าอยากจะบวชก็ให้มีความมั่นใจว่าเราต้องไม่สึกไปแบบไม่กลับไปแบบไม่ถ้าไปยังกลับอยู่ก็อย่าไปเสียเวลาแต่ถ้าคิดว่าเป็นการฝึกขัดก็ไปได้ถ้าเรายังไปแบบไม่กลับไม่ได้ก็ ไปแบบไปฝึกหัดก่อนเพราะเรายังมีภาระที่เราจะต้องกลับมาทําอันนี้ก็ไปแบบนั้นก็ได้ขั้นต้นก็อาจจะต้องไปแบบไปกลับไปกลับเั้นไปเช้าเย็นกลับก่อนต่อไปพอพรอมีความสามารถที่จะไปอยู่ประจําได้ก็ไปอยู่ประจําไปเลยแต่เป้าหมายต้องอยู่ประจําคําถามข้อต่อไปจากคุณปราณีค่ะหลวงพ่อค้าลูกขอถามแบบโง่ๆนะคะ ไปวัดกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองคนนอนหมดลูกนั่งสมาธิพุทโธยังไงก็กลัวผีก็เลยนอนทํำยังไงก็ไม่หายกลัวสักทีกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ก็ต้องหยุดความคิดไงความคิดมันทําให้เรากลัวพอเราคิดถึงผีเราก็กลัวขึ้นมานั้นเราก็พุทโธพุทโธไปเวลากลัวก็แสดงว่าเราก็ยังคิดอยู่ก็ให้พุทโธพุทโธไปพอหยุดความคิดได้มันลืมเรื่องผีได้มันก็หายกลัวได้ หรือก็อย่างอีวิธีหนึ่งก็เมื่อกี้ก็บอกก็ยอมตายซะอย่างมากผีมันทําเราได้ก็แค่ทําให้เราตายเท่านั้นเองถ้าเรายอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวอย่างถาวรไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวเพราะความกลัวก็คืออยู่ที่ความกลัวตายนี่เองยังไม่อยากตายกันพอยอมตายแล้วมันก็ไม่กลัวไม่รู้จะอะไรต้องกลัวอะไรคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กราบนมัสการครับพระอาจารย์มีคนเขามาบอกผมว่าเขาเป็นร่างทรงหลวงปู่ศรีพุทโธผมบอกว่าเพ้อเจ้อไรสาระไอ้อันที่มีสาระไม่เอาผมบอกทำไมไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่พอใจโกรธผมผมก็เฉยได้แต่สงสารเขาอย่างนี้ผมผู้ถูกไหมครับเพราะผมมีแค่ไตสรณะเป็นที่พึ่งเรื่องงมงายพวกนี้ผมว่ามันไรสาระครับ ก็ถ้าไม่พูดได้ยิ่งดีไอเขาพูดอะไรก็เฉยๆไปเขารับรู้ไปเขาจะได้ไม่โกรธเราเราจะได้ไม่มีปัญหากับเขาคําถามข้อต่อไปจากคุณวรนันท์ค่ะการที่เราทํางานกับเพื่อนๆที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆเราจะมีวิธีการวางจิตยอย่างไรในการทํางานคะเราก็เฉยไงขึ้นก็เฉยลงก็เฉยเรื่องของเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณยุพินค่ะเรามาสารปู่เจ้าถ้าสามีกินเหล้ามากลูกเครียดมากแล้วจะทำอย่างไรดีคะสารปู่เจ้าอะไร <ป S 2> คนล ะ, ไ, <ว>ะไม่เข้าใจความหมายเรามาเรามา ข, ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอข อ, ขอดูอีกทีหนึ่งค่ะคําถามข้อต่อไปจากคุณจตุพรค่ะกราพระอาจารย์ค่ะมีวิธีที่จะให้อภัยคนในครอบครัวที่มักสร้างความเดือดร้อนให้กับเราและบุปการีของเราแบบง่ายๆ่ยไหมเจ้าคะหรือเป็นหรือเป็นขั้นตอนเจ้าคะ่ะง่ายมีวิธีง่ายก็คือมองให้เขาเห็นว่าเป็นเหมือนเด็กทาลกนะ เด็กทารกนี่เราไม่ค่อยโกรธใช่ไหมเด็กมันจะขี้จะเยี่ยวทางไหนเราก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะมันเป็นเด็กคนก็มองเขาว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีร่างกายเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเขาเป็นเหมือนเด็กทารกแค่นั้นก็คิดว่าคี่ว่าเป็นเด็กทารกมันก็จะไม่โกรธแล้วคําถามข้อต่อไปจากคุณยุพดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะการที่เรามีจิตวางว่างโดยที่ไม่ได้นึกพุโทโธจะเป็นอะไรใหม่เจ้าคะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเราก็ดูที่ถ้ามีอะไรไม่ดีขึ้นมาก็เป็นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นเพราะงั้นก็อยู่ที่ว่าเวลาที่เราอยู่แล้วจิตมันไม่สร้างปัญหามันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้แต่เวลามันสร้างปัญหาขึ้นมาถ้าไม่รู้จักวิธีหยุดก็ใช้พุทธโธหยุดไปก่อนคำถามข้อต่อไปจะคุณกบค่ะนมัสการครับ การที่เราอยากได้ปัญญามีความจําดีต้องฝึกอย่างไรครับก็ต้องเรียนก่อนไงต้องเอาปัญญาของผู้อื่นมาแล้วก็พยายามคิดถึงคำสอนของที่เราเรียนมาไม่ให้ลืมมันก็จะได้ปัญญาแล้วเราก็เวลาที่เกิดปัญหาเราก็เอาคำสอนความรู้ที่เราได้เรียนมาเอามาใช้ถ้าเรามาใช้แล้ว เ, เห็นว่ามัน แก้ปัญหาได้มันก็จะไม่ลืมต่อไปมันก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเอามาจดมาจําถ้าไม่ใช้มันสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมได้ดังนั้นถ้าอยากอยากจะให้มันเป็นปัญญาที่อยู่กับเราไปตลอดนี้ต้องเอามาใช้ให้เห็นว่าอ๋อใช้แบบนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้ต่อไปเราก็จะไม่ลืมคําถามข้อต่อไปจากคุณยุพาค่ะมีคนฝันเห็นคนตายบวช พราหมณ์กำลังทําสมาธิเป็นจริงได้ไหมคะหรือผู้ที่ตายคนนั้นกําลังจะบอกอะไรหรือเปล่าคะ่ะจึงขอสอบถามคะ่ะก็มันก็เป็นได้ทั้งนั้นอนะ่ะทีนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรหรือไม่นี่มันก็อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่จะแยกแยะมันได้หรือเปล่าถ้าเราไม่เคยเห็นกายทิพย์มาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นกายทิพย์จริงหรือกายหรือเพียงแค่ความฝันของเรานถ้าเราไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมัน อย่างที่บอกแล้วให้มันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันยุ่งแล้วก็ทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอยากจะรู้มันเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมานะถ้ารู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันมาแล้วก็ไปเหมือนเสียงเนี่ยถ้าไปอยากรู้ว่าเป็นเสียงอะไรก็ต้องไปถามว่าแล้วนี่เสียงอะไร แต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ช่างมันเสียงอะไรก็ช่างมันมันมาก็มามเดี๋ยวมันไปก็ไปให้รู้ว่ามันก็มาแล้วก็ไปรู้ว่าเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้แค่นี้ดีกว่าอออย่าไปอยากรู้มันมาจากไหนเป็นใครอะไรเลยเห็นไหมหยุดแล้วเห็นไหมเวลารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเห็นอะไรจะเจออะไรถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปให้มัน คำถามข้อเมื่อกี้ที่ไม่ชัดเจนคุณยุพินเขียนเข้ามาใหม่นะคะว่าอยากทราบว่าสามีได้กินเหล้ามากแล้วเครียดมากจะทําอย่างไรดีเจ้าคะกายเขหยุดกินเลนก็รู้อยู่แล้วเหตุจากการเครียดก็กินกินเหล้ามากก็อย่าให้กินก็นแล้วกั น, นคําถามข้อต่อไปจากคุณเจจีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์คะ่ะ รูกรักมัดจะเป็นคนที่แค่เห็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือแค่นั่งอยู่ในบริเวณวัดก็จะรู้สึกปิติและหลายครั้งน้ำตาคลอออกมาเองในขนาดนั้นความรู้สึกของรูปคือรู้สึกดีแต่บางคนบอกว่าจิตอาจจะหลุดจนเป็นบ้าก็ได้จะเป็นเช่นนั้นไหมเจ้าคะความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าอะไรคะก็เรามีความสุขก็ใช้ได้จะเ ป, เ, ปเป็นบ้าได้ยังไง มันเป็นปิติมันเป็นความสุขก็ดีอยู่แล้วกใกล้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันมาสั่งให้มันไปไม่ได้ก็รู้แค่นี้ก็พออย่าไปรู้มากกว่านั้นเขาว่าจะเป็นบ้าก็ฟังเขาไว้ก็แล้วแต่จะเป็นไม่เป็นก็รอพิสูจน์ดูคำถามข้อต่อไปจาก youtube คุณพูลพลาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ทั้งครอบครัวไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมะเลยมีแค่เราคนเดียวที่สนใจแสดงว่าภพชาติที่ผ่านมาเราสนใจธรรมะใช่ไหมคะใช่เขาไม่สนใจเราสนใจมันก็เลยมัน ก, มน ก, มนก็มีความแตกต่างกันคำถามข้อต่อไปจากคุณธนวดีคะ่ะธรรมะที่ช่วยลดมานะการมีอัตราตัวตนคือการมีอุเบกขาใช่ไหมคะขอบพระคุณคะ่ะการอ่อนน้อมถ่อมตน เพาะอุเบกขามันยากตอนต้นก็อ่อนน้อมถ่อมตอนทําตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินทําตัวเราให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วคิดว่าสมมติว่าเราเป็นผ้าขี้ริว้วผ้าขี้ริ้วนี้ใครจะเหยียบใครยามไปเช็ดไปทําอะไรเราก็ยินดีเสมอยิผ้าขี้ริ้วมันยินดีให้อาไปใช้ได้ทุกอย่างถ้าเราทําตัวเราเป็นผ้าขี้ริ้วได้เราก็จะลดอัดตราตัวตนได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณทีหน้าค่ะเมื่อโดนคนเข้าใจผิดและมาด่าเราเราควรอธิบายให้เขาเข้าใจถูกหรือควรเฉยๆไปเลยคะก็อยู่ที่เขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะฟังอธิบายไปก็เสียเวลาแต่ถ้าเขามาถามเราก็อธิบายเขาไปฟังก็อยู่ที่คนฟังว่าเขายินดีจะฟังหรือไม่ฟังถ้าเขาไม่ยินดีเขาตัดสินประหารชีวิตเราแล้วเราก็จบก็แล้วไป เราปรตัดสินว่าเราเชื่อเราเลวแล้วก็จบ mm. ก็ปล่อยเขาตัดสินไปส่วนความจริงมันเป็นยังไงก็อีกคนาเรื่องกันใช่ั้ม mm. ขอให้เราดูที่ความจริงก็แล้วกัน mm. ถ้าเราไม่ดีจริงตามที่เขาว่าเราก็ควรจะแก้ไขตัวเราเราควรจะขอบใจเขาที่เขาชี้ชี้ส่วนที่บกพร่องของเราเพราะบางทีเรามองไม่เห็นคนที่ชี้ส่วนบกพร่องให้เรานี้เป็นเหมือนกระจกสองหน้า เวลาเราแต่งหน้านี่ถ้าเราไม่มีกระจกเราจะรู้หรือว่าเราทาคิ้วถูกหรือผิดใช่ไหมถ้ามีกระจกกระจกมันก็จะบอกเฮ้ย hey, ผิดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันลังที่เรามองตัวเราไม่เห็นว่าเราทำผิดหรือทำถูกถ้ามีคนเข้ามาบอกว่าเราทำผิดแล้วเราลองดูตามที่เขาพูดว่าจริงหรือไม่ถ้าจริงเราก็ควรจะขอบใจเขาเพราะบางทีเราไม่คิดเราเรามองไม่เห็นมัน พอเขามาบอกว่าผิดพี่ทํายี้ไม่ถูกนะพอเรารู้แล้วทีนี้เราต้องขอบใจเขาอย่าไปโกรธเขาเวลาใครเข้ามาบอกว่าเราไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ถ้ามันเป็นความจริงมันก็เป็นเหมือนชี้ขุมทรัพย์เพราะว่าจะทําให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้มันหมดไปเราจะทําให้ตัวเรามีคุณค่าขึ้นมาดัางนั้นการที่คนเขาชี้ผิดนี่หรือชี้ถูกเราอย่าไปฟังที่เสียง ให้ฟังที่ความจริงให้ดูที่ความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่ถ้าจริงเราก็ควรที่จะขอบคุณเขาถ้าไม่จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องตาบอดเขาตาไม่ดีเองเขาก็เลยมองเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็เฉยเฉยไปไม่ต้องไปโกรธเขาไปโกรธคนตาบอดได้ยังไงใช่ไหมคนตาบอดเขา ช, ชี้นู่นชี้นี่แล้วก็วาเไป น, นูนป่นเปนี่ก็ปล่อยเขาชี้ไปปล่อยเขาวาไปเท่านั้นเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณธัญกรค่ะไม่ค่อยได้ใส่บาทแต่ทําบุญด้านอื่นบ่อยๆได้ไหมคะหรือว่าควรต้องใส่บาทด้วยคะ อ, อ๋อทำบุญด้านไหนก็ได้ทั้งนั้นขอให้ดูที่ความจําเป็นดีกว่าขอให้ดูความจําเป็นของผู้รับถ้าเกิดไม่มีใครใส่บาทให้พระอะไรก็ต้องควรไปใส่บาทให้พระบ้างเพราะเดี๋ยวถ้าไม่มีไปใส่บาทเดี๋ยวพระจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีคนใส่บาทเยอะแล้วล้นบาทแล้วจะกินไม่หมดแล้วเอาไปแจกเอาไปจ่าย ก็เอาไปทำอย่างอื่นไปทําที่ขาดแคลนก็ได้ได้บุญเหมือนกันถ้าจํานวนเงินที่เราเสียสละไปเท่ากันเสียสละร้อยบาทใส่บาศเสียสละร้อยบาทให้ขอทานเราก็ได้บุญเหมือนกันคําถามข้อต่อไปจากคุณมานิสาค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบอานิสงส์ของการสวดมนต์ค่ะว่าสวดมนต์แล้วได้บุญอย่างไรคะ จะทําให้เรามีสติแล้วจะทําให้ใจเราเริ่มสงบความสงบก็เป็นความสุขก็เป็นบุญอยาความสุขใจนี้เป็นบุญทําบุญทําทานใส่บาตรก็มีความสุขใจรักษาศีลก็มีความสุขใจส่วนมนต์ไปใจสงบก็มีความสุขใจก็เป็นบุญเหมือนกันคําถามข้อต่อไปจากคุณอรุณีค่ะขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเผลอในการตักเตือนน้องสาวเรื่องคู่ชีวิตของเขาแต่ในความเป็นจริงคือเราห่วงเขาและห่วงหลานเพราะน้องสาวไปไหนก็ไม่เคยทํางานเลี้ยงตัวเองแต่น้องเขยนี่ก็ไม่กลับบ้านและทํางานหาเงินก็มีแต่โกหกว่าจะนําเงินเข้ามาให้แต่พอดิฉันซึ่งเป็นพี่สาวห่วงเขามากและเผลอด่าเขาและพอดึงสติคืนมาก็กลัวเป็นบาป กรรมที่ดุเขามีวิธีแก้ไม่ให้เราต้องเจอวิบากกรรมที่ด่าน้องสาวได้อย่างไรคะคือตอนนี้คิดแต่กลัวบาปที่เราเคยเอ่อยวาจาออกไปทําร้ายจิตใจของน้องคะ่ะสาธุ ค, คะ่ะทําแล้วมันก็ต้องรอรับผลแล้วแหละมันไปย้อนหลังไม่ได้ไปลบมันไม่ได้ทาได้ก็คือป้องกันกรรมใหม่อย่าไปทํากรรมใหม่เวลาจะพูดอะไรคิดให้รอบคอบก่อนวนะ่าคิดแล้วนี่มันจะมีผลกระทบอย่างไร ถ้ามีผลกระทบไปในทางที่ไม่ดีก็อย่าไปพูดที่เราจะพูดไม่ดีส่วนใหญ่เราจะพูดตอนที่พูดไม่ดีก็ตอนที่เรามีอารมณ์ถ้าจะพูดก็ลอยให้ไม่มีอารมณ์ก่อนให้ใจสบายสบายแล้วก็ดูผู้ฟังว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราพูดหรือเปล่าด้วยถ้าเขาไม่พร้อมก็ก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปพูดถ้ามันเป็นเรื่องของเขา อย่าไปสนใจกันเรื่องของชาวบ้านเลยสนใจเรื่องของเราดีกว่าคอยดูว in. ่าเรากำลังทำอะไรทำแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญหรือเป็นบาปดีกว่าถ้าเป็นบาปก็อย่าทำถ้าทำแล้วเป็นเรื่องก็อย่าทำเรื่องของคนอื่นเขาจะดีจะช่วยจะสุขจะทุก ข, ข์มันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ต้องการมาขอความช่วยเหลือ rejoice, เราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเขามาขอความช่วยเหลือก็ควรที่จะสงเคาะ์เขาไปตามความตามความสามารถของเรา คำถามข้อต่อไปจกคุณทองใบค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะดิฉันนั่งสมาธิแบบพิจารณาลมหายใจเข้าออกทำไปนานๆตัวเบาเหมือนไม่มีกายอาการปวดขาก็หายไปด้วยแล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะก็ทำต่อไปทำไปเรื่อยๆดูไปให้นานๆดูไปจนกว่าจิตมันจะรวมแล้วร่างกายหายไปลมหายไปแล้วมีความสุขมากก็ปล่อยมันนั่งอยู่งั้นไปนานๆ จนกะมันจะไม่ยอมนั่งมันจะลุกค่อยลุกขึ้นมาทําอะไรต่อไปคําถามข้อต่อไปจากคุณติ๊กค่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะหากเราทําอาชีพให้บริการที่พักห้องพักและจําเป็นต้องให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบนี้ควรวางใจอย่างไรคะเพราะไม่สบายใจถ้าถือศีลห้าจะถือว่าศีลห้าขาดไหมคะเราเราไม่ดื่มเองไม่ขาดแล้วเพียงแต่ว่าเราไปสนับสนุนให้คนอื่นเข้า อทำบาปเท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะให้เขาทำบาปแล้วก็บอกเขาไม่มีสุราขา ย, ขายก็เท่านั้นเอง <ë> s> <S ทีเรายังโลภอยู่เรายังอยากได้เงินของเขาอยู่เพราไม่มีสุราเดี๋ยวคราวหน้าเขาไม่มาพักที่เราแล้ว <c oughs> ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่โลภ ก, ก็ก็ไม่ต้องขายสุราก็ได้เอาเอาคนที่ไม่ดื่มสุรา ด, ดีกว่าเขาจะได้ไม่มาเมาที่ที่บ้านเราที่พักของเราบา <c oughs> งทีเมาแล้วก็มาทุบทำลายข้าวของที่บ้านเราเอีกยั้น ถ้าเราไม่โลภแล้วเราก็ไม่ต้องขายสุราก็ได้ถ้าก็อยากจะดื่มสุราเขาก็หามาเองได้หมดแล้วเหอรอบะคะหมดแล้วค่ะหมดพอดีเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจเปิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด